บ <Book> <23. S 3> ุ๊กทูยี่สิบสามอิมดการเรียนภาษาต่างชาติวีดีซีภาษลนินเอชกวดมคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะมีรู้สเปนิเชเ ก, กิดในเอชคุณนารุ คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะมีรถโปรตุเกสกูดามาทลาดกันหรอคะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะออาน่อะไรกันเนี่ยโน่อิตาเลียนนีกูดามาทลาดกันโน่ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากมีรถฉาลาบากามาทลาดตาร์นีเนี่ยน้าน่กุดตุนนาน่ ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากอีภาษาลนี้วเกร์กังกาอุนไดดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีนี่นูบิตินีบากันนอาร์ันเชสโกกันนแต่การพูดและการเขียนมันยากค่านี้มาตรลาดัมมาริวไรดั้งคัสเตมดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก เนี่ยหนุ่ิงกาจาละตอบปุโเจสสุนีอุณนานุทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะได้เชสิพริติสาริ น, นันสรติดเด่นดีการออกเสียงของคุณดีมากมีวุฒชารณนะ้าละบากุนดีคุณมีสำเนียงนิดหน่อย มีรู้แเวลมสวัลปวุชารณนตมาตรเมมาทลารตุนนารุคนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหนมีรู้ยอกขดนั่ชีวชารยวเรนะชะพักลรุภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะมีมาตรุภาษาเอมิติคุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ มีรูปาษาสัมันธ์กันยเวน่าปฏกิริมลึกชคุณตุนนาระคุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะมีรูปย็ปุสตะกันอุปยก g i สุนารุตอนนี้ดิฉันจาชื่อไม่ได้ค่ะอิปปานากูดานิเปรกุตเตเลดูดิฉันนึกชื่อนังสือไม่ออกค่ะดานิเีร์ชิกุวทเลด ดิฉันลืมไปแล้วค่ะนเนนุดานีมัจฉิปโยนุ